ภาวนานะหัดไปเรื่อยๆแรกๆก็ยากอะไรที่ไม่เคยทํานะ ท, ทําทีแรกก็ยากทั้งนั้นแหละเคยฝึกปฏิบัติไปเรื่อยเราไปจะรู้ว่าไม่ได้ทําอะไรเราแค่เห็นเท่านั้นเองเห็นกายมันทํางานเห็นใจมันทํางานเราเป็นแค่เห็นคําว่าเห็นนะคือคําว่าปัตสนะวิปัสสนะวิปัสนาเนี่ยวิวระแจง วิปัสนาเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเห็น อ, อะไรเหร็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงนี่นแหละคือคําว่าวิปัสนากาวิปัสนาคือการเห็นนะแค่เห็นเท่านั้นนะไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เข้าไปแทรกแซงเราเห็นกายมันทํางานไปเรื่อยเราก็เห็นความจริงของร่างกายร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุไม่ใช่ตัวใช่ตน เราเห็นอะไ ร, เ, รเห็นจิตใจมันทํางานนะเห็นจิตใจมันทํางานก็จะเห็นเลยมันมีเที่ยงมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแล้วมันก็บังคับไม่ได้นะไม่ใช่ตัวเราของเราเราสั่งไม่ไดนะ้ดูกายก็จะเห็นทุกข์ได้ง่ายนะดูกายเห็นทุกข์ได้ง่ายก็ เ, เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุไหลเข้าไหลออกตลอดเวลามีร่างกายนะร่างกายหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยธาตุมันก็หมุนไปด้วย กินอาหารแล้วก็ขับถ่ายนะธาตุมันก็หมุนเวียนกินน้ําแล้วก็เป็นเหงือบ้างปัสสาวะบ้างอะไรบ้างก็หมุนเวียนเป็นแค่วัตถุธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตรงนี้เรียกว่าเห็นอนัตตาของกายอนัตตาของกายอนัตตาของจิตนั่นดูไม่คนละมุมกันอนัตตาของกายเนี่ยเห็นไปนเลยว่ามันเป็นแค่วัตถุไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์มไม่ใช่เราไม่ใช่เขา อนัตตาของจิตดูในมุมของการบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจเราสั่งจิตให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้ในความจริงของกายของใจก็คือไตรลักษณ์นั่นเองนั้นถ้าเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจอยู่นะเรียกว่าทำวิปัสสนาอยู่ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์เห็นแค่ร่างกายเห็นแค่จิตใจแต่ไม่เห็นไตรลักษณ์มันแค่ปัสสนะเฉยๆไม่ถึงควินะไม่มีคำว่าวิวิวเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้อง เห็นอย่างยอดเยี่ยมต้องเห็นไตรลักณ์กายเนี่ยจะแสดงความทุกขนะ์จากความเป็นอนัตตาชัดอนัตตาของกายในมุมของว่ามันเป็นวัตถนะุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาส่วนจิตใจนี่จะแสดงความไม่เที่ยงได้ชัดนะชัดกว่าร่างกายร่างกายจะดูว่าไม่เที่ยงยังดูยากนะแต่จิตใจดูไม่เที่ยงเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดเวลาเลยเปลี่ยนวบแวบวบแวบตลอดเวลา เดี๋ยวดูเดี๋ยวฟังเดี๋ยวคิดเดี๋ยวสุกเดี๋ยวทกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะหมุนจี๋จีอยู่ทั้งวั น, นแสดงถต่ความไม่เที่ยงแล้วก็เป็นอนัตตาในแง่ที่ว่าสั่งไม่ได้เลือกไม่ได้บังคับไม่ได้นะไม่อยู่ในอำนาจนะเนี่ยค่อเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปนะดูให้เห็นความจริงนะี่เรียกว่าการเจริญวิปัสสนาจำไว้น ะ, ะนถ้าใครเขาบอกว่าเห็นนอาไม่ได้ต้องคิดเอานะถึงจะเป็นวิปัสสนาคิดเอาเป็นวิตกไม่ใช่วิปัสสนานะ วิตกตรึกเอาวิจารตรองเอานะไม่ใช่วิปัสนาวิปัสนาต้องเห็นเอาทำไงเราจะเห็นเอาได้ใจเราต้องเป็นคนเห็นนะเราไม่ได้เห็นด้วยตาเราเห็นด้วยใจนะก็รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจแล้วก็รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปแค่รู้สึกรู้สึกเอานะ ใจเราเป็นแค่คนรู้คนดูคนรู้สึกคนเห็นนะอย่าเห็นร่างกายเห็นจิตใจทําทำงานไปเรื่อยๆนะไม่ยากอะไรหรอกทุกคนนะรู้กายรู้ใจตัวเองก็ได้แต่ละเลยที่จะรู้อย่างตอนนี้หลายคนใจลอยนะเริ่มใจลอยแล้วนะเนะี่ยใจมันวอแวบวบแวบนะห้ามไม่ได้ห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้เนะี่ยเรื่องสำคัญนะอย่าให้ใจไหลไปลืมเนื้อลืมตัวไป ให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเรื่องนี้ครูบาอาจารย์ให้ความสําคัญมากให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี่จุดที่หนึ่งนะถ้าจะปฏิบัติอันนี้ไม่ได้นับเรื่องการปรับพื้นฐานต่างๆนะสร้างสิ่งแวดล้อมที่เ อ, อื้ออำนวยพอนะใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยดูไกายมันทํางานดูใจมันทํางานนะเราเป็นแค่คนดูเป็นผู้รู้ผู้เห็นเท่านั้นแหละนะ เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่ลืมกายลืมใจเราก็เห็นกายเห็นใจได้เมื่อไหรใจลอยลืมกายลืมใจไปหมดนึกออกไหมเวลาใจลอยมีร่างกายก็ลืมมีใจก็ลืมทําอะไรก็ลืมอยู่หมดย้มพยายามรู้สึกตัวนะเรื่องงานแรกเลยอย่าใจลอยนานรู้สึกตัวให้บ่อยๆถ้าอยากทําให้ได้เร็วก็ซ้อม วิธีซ้อมทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วค่อยรู้ทันใจที่ไหลไปพุทโธก็ได้พุทโธพุทโธใจหนีไปคิดรู้ทันพุทโธใจไหลไปเพ่งรู้ทันหายใจก็ได้หายใจแล้วใจหนีไปคิดรู้ทันใจไหลไปเพ่งลมหายใจรู้ทันดูท้องพองยุบก็ได้ใจหนีไปคิดรู้ทันใจไปเพ่งท้องรู้ทันใช่หลักเดียวกันหมดเลยไปเดินจงกรมก็ได้นะเดินไปใจหนีไปคิดก็รู้ใจไปเพ่งเท้า่็รู้นะ ใจเคลื่อนไปอ่ะมันเคลื่อนไปสองแบบนะเคลื่อนฟุ้งซ่านไปเคลื่อนไปคิดเนะี่ยส่วนใหญ่จะเคลื่อนไปเพ่งนะใจเคลื่อนทั้งนั้นเลยถ้าเมื่อไหร่รู้ทันว่าใจเคลื่อนนะใจจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติจะรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมานะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าพูดถึงคําว่าสมาธิสมาธิที่แท้ในการเดินปัญญาเนะีพูดง่ายๆเลยก็คือความรู้เนื้อรู้ตัวนั่นแหละ จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวนี่เลยเรียกว่ามีสมาธิที่จิตใจมันล่องลอยหนีไปก็เรียกว่ามันฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิสมาธิไม่ใช่แค่สงบนิ่งเฉยลืมโลกลืมอะไรไปหมดนะสมาธิที่จะใช้เดินปัญญาเนี่ยเป็นสมาธิชนิดรู้เนื้อรู้ตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะต้องซ้อมถ้าซ้อมแล้วจะได้รู้ตัวได้เร็วเวลาเผลอจะเผลอสั้นๆถ้าไม่เคยซ้อมนะเวลาเผลอจะเผลอยาวคนในโลกนะ มันเผลอว่าละครั้งเดียวนะคือตั้งแต่ตื่นจนหลับเผลอว่าละครั้งเท่านั้นนะตั้งแต่ตื่นจนหลับยาวนานมากเลยนะนักปฏิบัติเนี่ยถ้าฝึกจนชำนาญ น, นะจิตไหลคลิกรู้สึกคลิกรู้สึกคลิกรู้สึกนะมันจะรู้สึกเหมือนกับรู้ตัวได้ทั้งวันเลยนะความจริงมันไหลไม่ใช่มันนิ่งนะอย่าไปเพ่งให้นิ่งนะไหลได้นะเราไม่บังคับจิตจิตไหลก็ได้แต่ไหลคลิกหนึ่งรู้ทันวัยๆคลิกรู้ทัน เราจะรู้ได้ไวนะสติต้องไวสติจะไวเมื่อจิตจําสภาวะได้แม่นจิตจะจําสภาวะได้แม่นต้องเห็นบ่อยๆเพราะงั้นเราต้องซ้อมพุโทโธพุโทโธจิตไหลรู้ทันพุโทโธพุโทโธจิตไหลเรารู้ทันนะหายใจไปจิตไหลเรารู้ทันต่อไปจิตจําสภาวะการไหลได้แม่นไหลไปคิดก็จําได้ไหลไปเพ่งก็จําได้พอไหลคลิกนะสติเกิดเลยนะพอสติรู้ทันเท่านั้นจิตจะตั้งมั่นสมาธิเกิดเลยนี่วิธีที่ให้เกิดสมาธินะเกิดมาจากสตินี่แหละ อาศัยสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนเล็ก ๆ, ๆๆๆนะสมาธิเกิดเลยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาแต่ว่าหลคลิกรู้รู้สึกเนี่ยสมาธิชนิดนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิอยู่ชัว่วขณะเดี๋ยวไหลอีกไหลอีกก็ไม่เป็นไรไหลอีกรู้อีกก็ได้อีกขณะหนึ่งนะไหลอีกรู้อีกก็ได้ทีละขณะทีละขณะแต่ว่าสมาธิที่เกิดทีลขณะทีลขณะอย่าดูถูกนะในขณะ ท, ที่เกิดอริยมรรคน่ยใช้เวลาขณะจิตเดียวเท่านั้นเอง นะไม่ได้ใช้สองขณะจิตนะในขณะที่เกิดอริยมรรคงั้นจะดูถูกสมาธิหนึ่งขณะนะแต่ว่าตอนที่เกิดอริยมรรคเนี่ยมันเข้าลึกกว่านั้นจะเข้าถึงอัปปนาสมาธิไม่ใช่เข้าคณิกะสมาธินะจะลึกกว่ากันบางทีโลกธาตุดับเลยเข้าถึงอรูปเข้าถึงอรูปฌานนะถ้าบรรลุโดยการเข้าอารูปนะเขาเรียกว่าอุปโตภาควิมุตติอุปโตภาควิมุตติเนี่ย รูปธรรมดับนะด้วยอรูปฌานนามา ร, รมดับนะด้วยวิปนะัสนาญาณเรียกว่าอุปโตภาควิมุติพระละหันชนิดอุปโตภาควิมุตมีนะแต่ว่าก็มีประมาณสมัยพุทธกาลนะก็ประมาณ1 2บองเปอร์เนต์ของพระลนะหันมีไม่มากหรอกนะประมาณสิของพระละหันที่เป็นอุปโตภาคนี่พวกเราไม่ต้องขนานนั้นนะเนะหน้าตาเข้าฌานไม่เปลี่ยนหรอก ฝึกไวจะเข้าแบบเคริมเคมลิมลืมเนื้อลืมตัวชะลามากกว่าฝึกสมาธิขณะหนึ่งนี่แหละได้สมาธิทีละขณะทีละขณะนะเหมือนน้าหยดทีละหยดนะเดี๋ยวก็เต็มตุ่มเต็ ม, ตมหเองแหละนะรู้สึกรู้สึกรู้สึกต้องหยดบ่อยๆใช่ไหมถ้าวันหนึ่งหยดติ้งเดียวนะมันระเหยมากกว่าที่หยดมันไม่ได้เหลืออะไรเลยถ้าน้ําหยดบ่อยๆบ่อยๆตลอดเวลาไม่ขาดสายนะเดี๋ยวน้ํามันก็เต็มแก้วเต็มตุ่มอะไรขึ้นมา สมาธิทีล่ลักษณะทีลักษณะเหมือนน้าเป็นหยดๆเนี่ยยิ่งบ่อยยิ่งดีนะการรู้ทันให้ไหวจิตไหลปุ๊บรู้จิตไหลปุ๊บรู้แต่อย่าไปบังคับให้รู้นะบังคับให้รู้ไม่รู้จริงนะต้องหัดรู้บ่อยๆจนจิตเคยชินจิตรู้ทันจําได้ว่าโอ้จิตที่ไหลไปเป็นแบบนี้จิตไหลไปคิดเป็นแบบนี้จิตไหลไปเพ่งเป็นแบบนี้พอมันจําอาการไหลได้พอไหลเกิดขึ้นปุ๊บมันจําอาการไหลได้ปุ๊บสมาธิจะเกิดเองเลยฝึกให้มาก พอเรารู้เนื้อรู้ตัวได้แล้วจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะต่อไปเป็นขั้นเดินปัญญาอย่ารู้ตัวอยู่เฉยๆบางคนเป็นมิจฉาทิฏฐินะสอนกันมาได้บอกว่าให้รู้ตัวอยู่เฉยๆประคองความรู้ตัวไว้นะสงบอยู่ภายในนิรันดร น, นี่มิจฉาทิฏฐิล้วนๆเลยไม่ได้เดินมิจัาสมาจิตที่รู้สึกตัวมันแค่ขั้นสมาธิเท่านั้นยังไม่ถึงขั้นเจริญปัญญานะถ้าจะถึงขั้นเจริญปัญญาเราเนี่ยใช้คํา ในพระไตรปิฎกท่านใช้คาว่าโน้มน้อมจิตไฟเพื่ อ, อยานทัศนะโน้มน้อมจิตไฟเพื่ อ, อยานทัศนะก็คือมีสติเห็นนะการทำงานของกายมีสติเห็นการทำงานของใจของรูปของนามนั่นะแหละนะเห็นมันทำงานไปเรื่อยเลยใจเราเป็นแค่คนดูใจเราตั้งมั่นมีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ พอเรามีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ร่างกายเคลื่อนไหวมันก็รู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวมันก็รู้สึกพอรู้สึกได้นะมันก็ค่อยเห็นความจริง้ร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่มันไม่ใช่เราเนี่ยว่ามันเป็นแค่ก้อนาธาตุเป็นแค่วัตถุนะแล้วมันก็ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกๆอิริยาบถความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเนี่เห็นความจริงของร่างกายนะหรือจิตใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตามองเห็นรูปจิตขึ้นเป็นสุขเป็นทุกข์จิตดีจิตชั่วขึ้นมามีสติรู้ทันไปนะ เดี๋ยวหูได้ยินเสียงจิตก็สุขก็ทุกข์ก็ดีก็ชั่วจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสนะจิตก็สุขก็ทุกข์ก็ดีก็ชั่วใจไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งเดี๋ยวจิตก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นมาให้มันเกิดไม่ใช่ไม่ให้มันเกิดอย่าไปห้ามมันนะเมื่อให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดาเมื่อกระทบอารมณ์แล้วให้มันเกิดความรู้สึกไปตามธรรมชาติธรรมดาอันแรกเลยไม่ห้ามการกระทบะ บางคนเข้าใจผิดนะจะดูจิตเนี่ยต้องไม่เห็นรูปต้องไม่ฟังเสียงไม่มีอะไรแล้วจ้องอยู่ที่จิตอันเดียวอันนั้นทําผิดแล้วนะอย่าหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์เพราะเรามีตาเราต้องเห็นรูปเรามีหูต้องได้ยินเสียงก็ได้ยินเข้าไปสิฟังเข้าไปเนีนะเห็นเข้าไปไม่เป็นไรแต่เห็นแล้วได้ยินแล้วนะหรือคิดใจมีหน้าที่คิดก็ให้มันคิดไม่ใช่ห้ามมันคิดนะให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจทํางานไปตามธรรมชาตินั่นแหละ เมื่อกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติแล้วมันจะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วอะไรขึ้นมาตรงนี้แหละมีสติรู้ทันเข้าไป น, ะนี่คือการดูจิตดูใจนะก็คือสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็รู้อย่างที่มันเป็นไม่ใช่ไม่ดูไม่ฟังไม่คิดนะถ้าไม่ดูแล้วบรรลุง่ายคนตาบอดจะบรรลุก่อนเราถ้าไม่ฟังแล้วบรรลุง่ายคนหูหนวกจะบรรลุก่อนเราเห็นหรือคนบ้าคิดอะไรไม่เป็นนะ คนบ้าคิดอะไไม่เป็นพวกบ้าใบบอดหนวกเนี่ยถือเป็นอาภัพผูบุคคลนะถ้าว่าใบบอดหนวกแต่กําเนิดนะถ้าเกิดมาแล้วมาเป็นทีหลังเนี่ยไม่ไม่ถือว่าเป็นอาภัพนะถ้าใบแบอดหนวกมาแต่กําเนิดเนี่ยเขาถือว่าเกิดด้วยเหตุสองเองนะเกิดด้วยอาโลภะโทสะยังประกอบด้วยอโมหะอยู่พวกนี้ไม่มีทางจะทําได้แม้กระทั่งฌานมรรคผลทําไม่ได้ ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเขาบ้าใบาบอดโง่ไม่มีอายตนาที่จะเรียนรู้ธรรมะจะไปเรียนได้ยังไงเงั้นเราอย่าไปภูมิใจกับการไม่เห็นไม่ดูไม่ฟังไม่คิดนะมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดแต่เมื่อตาดูหูฟังใจคิดแล้วนะเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้นะเกิดดีให้รู้เกิดชั่วให้รู้รู้เพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นว่าสุขทุกข์ดีชั่วนั้นมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะ กระทบอารมณ์ที่พอใจก็มีความสุขขึ้นมากระทบอารมณ์พอใจก็มีราคะขึ้นมากระทบอารมณ์ไม่พอใจก็มีความทุกข์ขึ้นมากระทบอารมณ์ไม่พอใจก็มีโทสะขึ้นมาเนี่ยมันจะแทรกกันเข้ามาอย่างเงี้ยคอยรู้กระทบอารมณ์ไปแล้วก็ดูใจมันเปลี่ยนเราจะเห็นไปเรื่อยนะสุดท้ายปัญญามันจะแก่รอบขึ้นมันจะเห็นเลยว่าใจนี้ไม่คงที่เลย เดี๋ยวก็ทบอารมณ์อย่างนั้นนะก็สุขสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปกระทบอารมณ์ใหม่ทุกข์ขึ้นมาทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หาย กระทบอย่างนี้อารมณ์ดีเกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายกระทบอย่างนี้อารมณ์ร้ายเกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวแล้วหายการกระทบก็สั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้นะเห็นเลยจิตมันทํางานของมันเองมันออกไปรู้อารมณ์ต่างๆของมันได้เองเราสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้นะกระทบแล้วมันกระเถือนขึ้นมามันปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกข์ขึ้นมาเราก็สั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้อันนี้ถือว่าเห็นอนัตตาของจิตนะ ส่วนการเห็นวนะ่าจิตสุขก็อยู่ชั่วคราวจิตทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวจิตดีก็อยู่ชั่วคราวจิตชั่วก็อยู่ชั่วคราวนี่เรียกว่าเห็นอนิจจังของจิตนะงันการเดินปัญญาเนี่ยต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะของกายของใจถ้ากายเนี่ยจะดูทุกขังง่ายนะก็ดูอนัตตาได้ในมุมที่ว่ามันเป็นแค่วัตถุไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนหรอกนะ จะรู้สึกนะอย่างบางคนหัดภาวนาสักช่วงหนึ่งนะเคลื่อนไหวขึ้นมารู้สึกเลยนี่มันทอดอะไรก็ไมร่รู้มันไม่ใช่เราอีกต่อไปแล้วนะอย่ารู้สึกขึ้นมาหรือแปลงฟันอยู่นะแปลงๆอยู่ตัวอะไรก็ไม่รู้ละมันไม่ใช่ตัวเราแล้วจะเห็นความเป็นอนัตตาขึ้นมาหรือนอนตื่นนอนมานะกลิ้งไปกลิง้งมาตัวอะไรมันนอนอยู่มันไม่ใช่ statute, เรานอนนะเป็นแค่ร่างกายมันนอนไม่ใช่เรานอนมันจะถอนความรู้สึกเป็นเราออกนะ ดูว่ามันเป็นทุกข์ก็ได้นั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ดูอย่างนี้ก็ได้ดูเป็นอนัตตาว่าเป็นแค่ก้อนธาตุอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ถ้าดูจิตดูใจก็ดูมันไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงะดูว่าบังคับไม่ได้ก็ได้นะตามันจะเห็นมันก็เห็นโอ้โมันมีนะมันได้กระทบเสียงมันก็ได้ยินเสียงอะไรอย่างงี้ห้ามมันไม่ได้นะ ใจจะคิดก็ห้ามมันไม่ได้ดูไปให้เห็นของจริงเลยมีแต่ของห้ามไม่ได้จิตใจเนี่ยต่อไปนี้ทุกคนห้ามคิดคิดไหมเนี่ยของจริงถ้าไปบอกทุกคนห้ามคิดแล้วก็หยุดคิดปุ๊บเลยทำได้ไหมได้สําหรับคนทรงชันละเอียดละเอียดนะแต่ว่ามันก็ไปปรุงภพละเอียดอยูนะ่อยู่ได้ไม่นานก็ถอยออกมาก็คิดเป็นอีกนะห้ามมันไม่ได้จริง ข่มไว้ได้ชั่วคราวแต่สำหรับพวกที่เราไม่ได้ทรงฌานว่องไวขนาด น, นั้ น, นจิมจะคิดจิตมีหน้าที่คิดก็ไม่ห้ามมันนะตามีหน้าที่เห็นก็ไม่ห้ามมันหูมีหน้าที่ได้ยินก็ไม่ห้ามมันหนิก็ไม่ห้ามจมูกมีหน้าที่ได้กลิ่นก็ไม่ห้ามลิ้นมีหน้าที่รู้รสก็ไม่ห้ามนะไม่ใช่ว่าไปแทรกแซงตาต้องไม่เห็นรูปถึงจะดีหูไม่ได้ยินเสียงถึงจะดีไอ้นั้นดีจากสมถะนะ ตาไม่เห็นรูปจิตก็ไม่กระเทือนก็สงบนิ่งหูไม่ได้ยินเสียงจิตก็ไม่กระเทือนก็สงบนิ่งอันนั้นมุ่งไปที่สมถะเมื่อก่อนมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะหลวงพ่อก็เคยไปเรียนกับท่านคือหลวงปู่คาพันธ์หลวงปู่คําพันธ์วัดธาตุมหาชัยคนรุ่นนี้ส่วนใหญ่ก็ลืมท่านแล้วละ่ะถ้าจําได้ก็พวกวงการพระเครื่องท่านทําพระเครื่องเยอะนะหลวงปู่คาพันธนะ์เนี่ยลูกศิษย์ท่านนะคุยอวดท่าน บอกว่าในพรรษาเนี่ยลูกศิษย์ท่านแยกแยกย้ายกันนะอยู่ที่วัดเจส่วนหนึ่งไปอยู่ที่วัดอื่นๆวัดสาขาอยู่ป่าอยู่เขาอะไรเนี่ยอีกส่วนหนึ่งพอออกพรรษาเนี่ยลูกศิษย์กลุ่มหนึ่งก็มาหาท่านบอกว่าพวกผมเนี่ยนะสํารวมสํารวมในการฉันอาหารตลอดพรรษาพอได้บินฑบาตได้อาหารมานะ เอาน้ำเทใส่นะล้างให้หมดรถเลยนะแล้วเทน้ำออกแล้วค่อยฉันเนี่ยผมภาคเพียนกันอย่างนี้คงจะดีนะหลงวงปู่โห้ยยุ่งยากเปลืองน้ำเอาน้ำร้อนลวกลิ้นสักนิดเดียวเท่านั้นแหละก็ไม่รู้รดละเนี่ยครูบาอาจารย์แต่ก่อนสอนเจ็บๆนะไม่มาอธิบายละเอียดหรอก ถ้าจอธิบายอย่างหลวงพ่อก็คือมีลิ้นก็กระทบรถไปแต่กระทบรถแล้วยินดียินไายหรือสุขหรือทุกข์หรือดีหรือชั่วอะไรขึ้นมาให้รู้ทันนะวิธีสอนจะต่างกันนะครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านสอนเจ็บๆนะบางคนทนไม่ไหวบางคนไม่รู้ว่าท่านสอนอะไรภาวนากันแทบตายเลยนะกว่าจะรู้ว่าท่านสอนเรื่องอะไรนะท่านบอกให้เอาน้ำร้อนลวกลิ้นั้งโง่ก็ลวกเขา้าจริงๆอสเลย ใช่ไหมใช้น้าร้อนลวกลิ้นใช้น้ํานิดเดียวไม่เปลืองนี่ใช้น้ําตั้งเยอะเนะี่ยต้องน้ํากินเลยนะอย่าน้ําบ่อน้ําโคลนมาใส่บาดเข้าไปก็กินข้าวไม่ได้อีกเสียน้ํามากเนี่งั้นมีตาก็เห็นนะมีหูก็ได้ยินมีจมูกก็ได้กลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีกายก็รู้เย็นร้อนอ่อนแข็งที่มากระทบมีใจก็รู้อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจแต่เมื่อกระทบอารมณ์ต่างๆแล้วนะ จิตสุขก็รู้จิตทุกก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้แล้วก็จะเห็นว่าจิตทุกชนิดน่ะอยู่ชั่วคราวจิตทุกชนิดน่ะสั่งไม่ได้เลือกไม่ได้นี่คือการดูจิตนะดูจิตที่ให้เกิดปัญญาถ้าดูจิตให้เกิดสมาธิก็ใช้วิธีรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่เคลื่อนรู้ทันจิตที่เคลื่อนปุ๊บจะได้สมาธิถ้าดูจิตให้เกิดศีลรู้ทันกิเลสที่เกิดที่จิตกิเลสเกิดขึ้นมาที่จิตรู้ทันปุ๊บกิเลสจะดับนะ ศีลมันเกิดอัตโนมัติถ้าจิตมันเคลื่อนไปฟุง้งซ่านไปรูทนะร้ทันนะรู้ทันปุ๊บสมาธิจะเกิดอัตโนมัตินะแล้วก็ถ้าเดินปัญญาก็ อ, อย่างที่ว่านี้แหละให้ตาหูจมูกนิ้วกายใจกระทบอารมณ์ไปนะกระทบแล้วเกิดปฏิกิริยาอะไรเข้ามารู้ทันเรานะจะเห็นในทุกอย่างโชั่คราวดูจิตไม่ใช่ไปดูจิตให้นิ่งนะดูจิตให้นิ่งดูจิตมีอีกแบบนึ่งดูให้ว่างดูให้นิ่งอันนั้นเป็นสมถะ วิธีอย่าเรียนเลยยังไงก็เจอนะเดี๋ยวก็ติดเพราะว่าเวลาพวกเราหัดดูจิต ด, ดูจิตนะอย่างเราดูกิเลสที่มันโผล่ๆนะไปถึงช่วงหนึ่งเนี่ยพอเราเห็นกิเลสแทนที่มันจะดับนะี่ยมันจะเคลื่อนจะเคลื่อนหนีออกไปข้างนอกเคลื่อนเพื่ออกไปนะเราก็จะตามอย่างกระชั้นชิดนะจิตเคลื่อนออกจากฐานไปโดยไม่รู้ตัวว่าเคลื่อนเคลื่อนเพืตามมันไปไปดูกิเลสกิเลสดับวับไปนะ จิตไม่รู้ตัวว่าอยู่ข้างนอกเรียบร้อยแล้วนะจิตไปอยู่ข้างนอกนะจิตไม่เข้าฐานไปว่างสว่างสบายอยู่ข้างนอกนะอยู่ได้เป็นปีๆเลยนะตัวเนี้ยไปติดแสงสว่างติดความว่างเป็นวิปัสสนูปกรณ์เชื่อโอภาสพวกเรานักดูจิตเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอโอานะภาสนะวิปัสสนูปกรเนี่ยเจอทุกคนสำหรับผู้ทำวิปัสนาถ้าไม่ทำวิปัสนาไม่เจอวิปัสสนู ท, สทาสมถะจะเจอนิมิต ทํำวิปัสนาจะเจอวิปสโโัสนูวิปสโโัสนูเนี่ยมี10บชนิดไปอ่านเอาเองก็แล้วกันนะเวลามีน้อยมากเลเหลือหนึ่งนาทีวิปสโโัสณูสิบชนิดเนี่ยชนิดที่หนึ่งชื่อว่าโอภาษมันสว่างมันว่างนะจิตไปอยู่กับความว่างความสว่างความไม่มีอะไรเนะี่ยจิตพอใจอยู่แค่นะั้นคิดว่าบรรลุพระอรหันต์แล้วด้วยหรือไม่ก็คิดว่าถ้าอยู่นานๆจะบรรลุพระอรหันต์ความจริงจิตเคลื่อนออกจากฐานแล้วไม่เห็นวิปสโโัสณูสิบชนิดเนี่ย วิธีแก้มีอันเดียวคือเมื่อไรจิตถึงฐานมิปสนุจะดับทันทีนะพระนนท่านเนี่ยมิปัสนุนะว่าธรมมุตทัตจ ja นะธรรมะอุทัตจะนั่นเองแล้วท่านบอกว่าธรมมุตทัตจะสิประการนี้จะดับไปนะจะพ้นไปจะผ่านไปได้นะเมื่อจิตมีสมาธมิจิตเข้าฐานก่อนเรียนจากหลวงปู่เทศนะหลวงปู่เทศท่านเคยพูดแต่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านจะบอกสั้นๆ หลวงปู่เทศแท่นเคยบอกว่าถ้าติดวิปัสสนูนะทำสมาธิเข้ามาก็หายแล้วสมาธิไม่พอถึงเกิดวิปัสสนูเนี่ฟังครูบาอาจารย์มานะหลวงพ่อยังเป็นยังไงนะสุดท้ายก็ไปเจอวิปัสสนูเข้าสักตัวเองนะอาจารย์มหาบัวหลวงตามหาบัวบอกว่าจิตมันไม่ถึงฐานแล้วที่ว่าดูจิตดูไม่ถึงแล้วถึงสังเกตได้โอ้จิตไปอยู่ข้างนอกนพอ ร, รู้นะทำสมาธินิดเดียวจิตกลับเข้าฐานวิปัสสนูดับหมด จำไว้อย่างนะจำหลักไว้นะเพราะว่านานๆเจอทันทีพวกที่มาคอร์สมาจากยโสธรถ้าเจอวิปัสสนูปกิเลสนะให้สังเกตดูจิตถึงฐานหรือเปล่าถ้าจิตถึงฐานวิปัสสนู10ิบอย่างหายหมดเลย น, นี่หลักนะเอาไปทําสอนเรื่องวิธีทําวิปัสนาแล้วต้องต่อด้วยวิปัสสนูเพราะเจอแน่นะเจอทุกคนแหละไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง บางคนสติละเอียดยิบเลยนะถึงขนาดเหมือนก็จะนับอากาศข้างหน้าได้เป็นเม็ดเม็เม็เมได้เลยนะไวขนาด น, นั้นนะรู้สึกมองไปนเห็นเว้นเม็ดเม็เม็เลยนะสติกล้าแข็งไปสติกล้าแข็งไปก็เป็นวิปัสสนาอย่างหนึ่งปัญญากล้าแข็งไปนะปัญญาล้ําไปก็เป็นวิปัสสนานะอยู่ปกติก็เหมือนคนธรรมดานี่แหละพอคิดถึงธรรมะนั้นก็ฟุ้งเลย บ้านน้ำลายนะเทศให้ใครต่อใครฟังไปหมดเลยไม่มีคนฟังวิเทศให้ต้นไม้ฟังถามวิเทศทำไมเผื่อรุกคเทวดาจะได้ฟังนะไปโน่นอีกความจริงบ้าแล้วละ่ะนะจิตมันฟุ้งไปแล้วฟุ้งในธรรมะนะนี่พวกฟุ้งในปัญญานะถ้าจิตถึงฐานก็หายทุกอย่างหายหมดนะเพราะนั้นจิตถึงฐานนี่สำคัญมากให้ฝึกซ้อมทุกวัน ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนให้รู้ทันนะไม่ใช่บังคับว่าห้ามเคลื่อนนะให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนรู้ทันจิตที่เคลื่อนท่องไว้นะให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไม่บังคับว่าห้ามเคลื่อนถ้าจิตรู้ทันว่าเคลื่อนตุ้มจะตั้งเข้าฐานเลยถ้าตั้งเข้าฐานในวิปัสสุกี่อย่างกี่อย่างหายหมดนะไปเรียนเอานะไปทําเอาไปฝึกเอาเชิญไปกินข้าวไปนิมนต์เลยครับ